เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านลายรายการใต้ร่มพระพุทธญาณได้นำเสนอความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในช่วงสมัยที่ทรงบำเพ็ญบารมีธรรมยุก็มาถึงช่วงที่สมเมธนดาบท ได้รับการพยากรณ์จากพระธีปังกรพุทธเจ้าในขณะที่ท่านได้สมบูรณ์ด้วยธรรมะสมุทานครบแปดประการซึ่งคนที่มีธรรมะสมุทานครบแปดประการ น, นั้นถากว่าจะคิดตัดช่องนอยแต่พอตัวออกบวชในาศาสนาของพระธีปังกรพุทธเจ้า ก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอราหารได้และเพราะว่ากรุณาที่สะสมอยู่ภายในประคันดัชนลตลอดการยาวนานคือตะกร่าตามตำนานจริงๆก็เรียกว่ามันตั้งสิบกว่าอาสงไขยกับกำไรแสนกับก็เรียกว่าสิบหกอสงไขยกับกำไรแสนกับนะครับ แต่ว่าในสุดพระองค์ก็เลือกเอาการตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีอีกถึง 4, สี่อสงไขยกับแสนกับเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าคํำพยากรของพระทีปังกรพุทธเจ้านั้นก็ทรงอาศัยเขาเรียกว่านากะตังสยญาณ กุญญาณที่รู้อดีตอนาคตการนานไกลมากๆระดับพุทธญาณนั้นเป็นการรู้ที่ไม่อาจจะกําหนดนับได้ว่าเท่าไรกันแน่ย้อนอดีตก็ไม่อาจจะนับได้ย้อนอนาคตก็ไม่อาจจะนับได้และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือสามารถให้รายละเอียดในเรื่องต่อนั้นได้ด้วยโดยทรงบอก แกพระสงฆ์อรหันต์เหล่านั้นเมื่อตอนที่เกิดเราจะเรียกว่าทํานายก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงความจริงแต่ความจริงเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเพียงแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตการอีกนานไกลซึ่งในตรงนี้เองก็ได้แสดงอะไรอีกเป็นนั้นมาก โดยถ้าหากว่าผู้ศึกษาได้ตรวจสอบพินิษฐพิจารณาจากเรื่องที่เราศึกษาเราเรียนมาเนี่ยเราเห็นว่าประโยคแต่และประโยคนั้นได้สะท้อนถึงกฎเกณฑ์เงื่อนไขในด้านต่างๆเป็นอันมากแล้วก็เป็นพุทธลักษณะคือลักษณะของพระพุทธเจ้ า, ท, าท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นเองเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เวลาพระพุทธเจ้าของเรารับสั่งเล่าถึงอาชีพภิกษุแต่ว่าต่อไปจะเป็นประสียาเมตใจก็ทรงรู้รายละเอียดวิจิตพิสดารเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะทรงแสดงหรือไม่ทรงแสดงประสียาเมใจนั้นมันผ่านการรับพยากรจากสำนักพระพุทธเจ้ามาแล้ว พังพระองค์ก็ไม่จำเป็นจะต้องชี้แจงอะไรวิจิตพิสดารแต่ว่าสมะแม่ธรมนบซึ่งต่อมาก็คือสิท ธ, ธัตถราชกุมาร น, นั่นก็เพิ่มสมบูรณ์ด้วยธรรมสโมโทฐานในประชาตินั้นขมายากรจึงบอกเพไปความว่าลูกก่อนพิกษุนทั้งหลายผู้เธอจึงดูดาบทผู้มีตาบะรุ่งเรืองนี้ ในกลับปัญหาประมาณไม่ได้ต่อจากพัตตะกับนี้ไปดา บ, บทนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระตถ า, าคตจะเสด็จออกจากปนคอนก บ, บิลพัทอนารื่นรมทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรกิริยาพระตถ า, าคตจากประทับนั่งนักววงไม้อาชปาลนิคโครธทรงรับข้าวมัตุ ป, ปายาตณนาทีนั้น แล้วเสด็จไปยังแม่น้ำนิรันชราไปจินเจ้าพระองค์นั้นจากสเสวยเข้าปายาตนาั่มฝั่งแม่น้ำนิรันชราแล้วเสด็จเข้าไปยังขวงไม้โพธิพฤกษ์ตามมะคาอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้ต่อแต่นั้นพระองค์ผู้ทรงพระเกียรติคุณยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมจากทำประทักษิณโพธิมูลทลแล้วจะสรุนักขวงไม้อัสัตถพฤกษ์ ประมาณดาผพ้่ให้กำเนิดของดาบทนี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดามีพระนามว่าสุตโทชนะระบทนี้จะมีนามว่าโคโดมหรือโคตมาพระเทระนามวาโกลิตะและอุปติสะจะเป็นอกระสาวกพระเทระนามว่าอานนนจะเป็นพระอุปทาปฏิบัติบำ ร, รุงพระจิตในเจ้านั้น พระเจริญนามวเขมาและอุบลว น, นาจะเป็นอัครสาวิกาตน้นไม้ที่ศัสรู ข, ของพระปุมีพระภาเจ้านั้นชาวลูกเรียกว่าสัทธจิตตะคือขัมป ด, ดีและหัตตกะคือขัมป ด, ดีชาวเมืองอารวีจะเป็นอัครอุปถานั้นฏมานดาและนางขุชุตราจะเป็นอัครอุปถายิกาซึ่งคํา ก็เราอาจจะเรียกว่าคารับรองนะฮะแต่ว่าท่านใช้กับว่าพยากรณ์มาได้แสดงถึงกระบวนการของกรรมกระบวนการของสังสารวัตรแล้วก็ผลจากพระสรัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้าทรงบรรดาบทีปังกรด้วยแล้วก็บุคคลทั้งหลายที่มีนามซึ่งนามเหล่านั้นที่จริงก็เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าอีกทั้งสี่สงไขยกับกําไรแสนกับ เพราะในขณะนั้นที่จริงเมืองกบิลพัทก็ยังไม่มีนะแล้วก็ชื่อสาริบุตรโคลิตะอุปฏิสะนี่ก็ยังไม่มีทท่านั้นมันแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงนึงกฎเกณฑ์แห่งกรรมพัฒนาการแห่งบารมีธรรมที่บุคคลได้สร้างสมบรมเอาไว้ แต่ว่าทำให้บุคคลหมุนวนอยู่ในสังสารวัตมีการปรับเปลี่ยนภพชาติในประนีตขึ้นไปเรื่อยๆจงบุคคลเหล่านั้นในที่สุดถึงจุดหนึ่งก็จะมีบารมีเต็มเมื่อบารมีเต็มแล้วก็จะเกิดร่วมยุคสมัยกับพระพุทธเจ้าผลที่ทางการมาสู่พระพุทธศาสนาของบุคคลในคำทำนายแต่ละท่านนั้น จะมีความแตกต่างกันลำดับขั้นตอนของการบรรลุมรคผลก็มีความแตกต่างกันนั่นก็แสดงให้เห็นในการจําแนกของกรรมแล้วก็พื้นฐานของบา ร, รมีธรรมแล้วก็มรุผลที่ท่านเหล่านั้นได้บรรลุก็ไม่เหมือนกันนะครเราจะเห็นว่าอย่างท่านจิตตะเครื่องบ ด, ดีและหัตตกะเครื่องบ ด, ดีเนี่ย ก็เป็นอุบาสกระดับอนาคาเมนั้นถ้ามาตานั้นเป็นระดับสักกะตาคาเมกุจุตราเป็นระดับอุบาสิกาโสดาบันนอกจากนั้นก็เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดนั้นก็คือความแตกต่างของกรรมที่เราเรียกว่าบารมีธรรมมันก็จำแนกอะไรให้เห็น ก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจวันก่อนนี่ได้ฟังเขาอภิปรายในหัวข้อตามาแกนธรรมโดยอาจารย์เจริมศักดิ์ปิงทองนนะก็ไปการอภิปรายกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเสียด้วยแล้วเจ้ากุนเทพรู้สึกจะปัญญามุนีอะไรเนี่ยนะ หาพร้อมโควิดโดนก็นั่งเป็นประธานด้วยแล้วก็นายกพุทธสมาคมแล้วก็สอสแล้วก็มีอาจารย์แล้วก็มีชาวบ้านอีกเป็นอันมากแล้วก็จากการสังเกตติดตามมาหลายครั้งแล้วเวลาให้พูดเรื่องเกี่ยวกับกรรมกับเรื่องสังสารวัฏเนี่ย เปอ์ในการปฏิเสธค่อนข้างสูงแล้วก็กล่าวอ้างคือคนที่กล่าวอ้างออกจะใช้อัตตาวิสัยมากเกินไปข้อความที่ท่านนามากล่าวอ้างนั้นไม่จะได้อ้างพระพุทธเจ้าแต่เป็นการอ้างครูบาอาจารย์ของท่านแล้วถ้าเราดูแล้วก็เป็นการอ้างที่ผิดด้วยนะ คือหมายความว่าในลักษณะของการฟังไม่ได้สับแล้วก็จับมากเกเด็ด เ, เรื่องแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดมันไม่ได้ปรากฏอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเต็มรูปแบบทีเดียวเพราะว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นจะแสดงแบบปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่ง ก็ดูพื้นฐานของผู้ฟังว่าสามารถจะเรียนรู้สามารถจะเข้าใจได้ระดับใดก็จะทรงแสดงในระดับตรงนั้นถึงก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ่านเฉพาะตรงนั้นแล้วก็จะเข้าใจได้หมดตั้งระบวดความมันต้องศึกษาพิจารณาเทียบเคียงให้เต็มในแต่ละเรื่องเนี่ย แล้วถ้าเป็นพระพุทธวจนะเองนั้นเขาจะไม่ขัดแย้งกันตลอดในพระไตรปิฎกทั้ง45เล่มจะไม่มีตรงไหนขัดกันเลยแต่เราจะต้องเข้าใจว่าตรงนี้เป็นการแสดงโดยโวาหารอย่างไงแล้วก็นุโลมตามพื้นฐานของใครทำไมจึงแสดงเท่านี้ทำไมไม่แสดงให้หมดมันก็ขึ้นอยู่กับ คลกับการสอนหนังสือนี่แหละลองสังเกตเมื่อก็สอนหนังสือเรื่องวิชาวความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมมติจักรวาลเนี่ยทุกวันก็ไม่มีใครเรียนได้จบสิน้นแม่นักวิทยาศาสตร์เองก็เรียนอย่างไม่ได้จบสิน้นแต่เมื่อเราเอาไปสอนเด็กระดับอนุบาลก็พูดนิดหน่อยพอถึงปถมก็เพิ่มขึนไปอีกแต่ก็เพิ่มมากก็ไม่ได้ ถึระดับมัธยมก็เพิ่มขึ้นไปอีกระดับปริญศึกษาก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนถ้าเราจะศึกษาให้ตลอดมันก็ต้องมองให้หมดแต่วุฒิภาวะของผู้เรียนเนี่ยมันอยู่ระดับนั้งมันก็เรียนกันขนาดนั้นแล้วการที่คนได้แสดงปฏิเสธเรื่องกฎของกรรมกฎของสังสารวัฏเนี่ยมันก็คือปฏิเสธพระญาณของพระพุทธเจ้ า, านั่นเอง แล้วก็แสดงให้เห็ น, นว่าตัวเองขาดตถาคตโพสิสถาคือขาดปัญญาขาดขาดความเชื่อในปัญญาเครื่องสัสรูของพระพุทธเจ้าคนเราถ้ายัางคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่งนะแล้วก็สามารถไปนิสัยเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ศึกษาคุ้นเค ย, ยมันก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่สัมมาทิฐิ คนปริยายของเทศนาต่างๆเนี่ยเราจะไม่พบว่าแสดงทุกระดับในที่เดียวกันแต่ว่าดูคนแล้วกระดูทรรมวางธรรมไ้สอบตรองกระคุดในเวลนี้ที่น่าสังเกตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่ามีการอ้างเรื่องการา ม, มาสูตรนี่แพร่หลายาบ้างบนก่อนมีท่านผู้หนึ่งได้มีจดหมาย ก็ลอ้องอัตมาเรืยอเปียงเรื่องกาลามสูตรกับเรื่องอะไรอีกเรื่องเนี่งลืมนะเรื่องพิธีกามออสศีลประตับปราบานนะแต่เราก็เห็นสำราห น, นังสือที่ท่านใช้เนี่ยดูแล้วเหมือนกับคนอื่นไม่รู้อะไรแต่ว่าเรื่องกาลามสุนั้นมาเคยพูดเคยบรรยายแล้วเคยอภิปรายเคยเรียบเรียยนะก็ส่งไปให้ ก็เงียบไปไม่ได้ตอบรับอะไรมาเรื่องการามสูตรมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือกลุ่มคนวุฒิภาวะของคนเนี่ยมันไม่ใช่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายในการศึกษาธรรมะในศาสนานั้นเราจะต้องหาข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์แล้วแง่มุมของธรรมะแล้วก็แง่มุมของปาฏิหาร หมายความมาต้องได้ข้อเท็จจริงทั้งสามระดับนั้นโดยเฉพาะคำว่าประวัติศาสตร์คําเดียวเนี่ยมันกินเนื้อหาสาระต่างๆอันเด็กกันนั่นได้เองมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่ามันมีเศรษฐกิจมันมีสังคมมันมีการเมืองมันมีลักษณะทางภูมิศาสตร์มานขรดกทำนีย์ประเพณีวัฒนธรรมศาสนากติความเชื่อ การคำนาคมและแตะวนเยอะอยาไปหมดเลยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหตุาการณ์ต่างในอดีตเนี่ยตอนถ้าเราไปใช้เงื่อนไขของเราซึ่งเราอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วก็วุธิภาวะเนี่ยมันจำกัดใลสื่ก็ตัดสินเอาตามประสาสัมผัสเทียมาหดทูนี่ก็คือว่าถ้าเรานั้นเป็นผู้เท่าแล้ว แต่พูดจาเนี่ยก้าวร้าวกับพระรัตนตรัยเหลือเกินยกย่องเชิดชูอาจารย์ตัวเองแล้วก็อ้างว่าพุทธเจ้าซึ่งอ้างก็ผิดด้วยนะไม่จะอ้างแล้วก็ถูกเลยคือหมายความว่าพูดเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งธรรมะที่ท่านพูดระดับปรามัดแล้วก็ตัวเองก็เอามาปฏิเสธในระดับของสมมติมันก็กลายเป็นคนละเรื่อง พระพูดปรมามัตันไม่มีเขาเรียกว่านิสัตโตนิชีโวสุนโยนิสสต์ไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวสุนโยมันว่างมันไม่มีอะไรอาหารก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันแบบปรมามะตนเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันมีลักษณะเกาะกลุ่มข้อมวลสารอนูลเล็กๆมาเกาะกุ่มกันเพราะเมื่อเราพูดระดับปรมัตนก็คือปรมามัตนสมมติก็คือสมมติ แต่วําสอนจริงๆนะจะสอนเรื่องสมมติมากกว่าระดับปรมาภะเพราะอะไรเพราะว่าคนมันอยู่ระดับสมมติเนี่ยมากกว่าอยู่ระดับปรมัตภะคือถ้าเราคําสอนมาพิจารณาดูนะลองสังเกตดูก็จะเห็นว่าระดับที่เรียกว่าวัตกามีกุศลคือการพัฒนาคุณธรรมขึ้นไปแล้วก็ ตกแต่งพวกชาติจะประณีตขึ้นคนยังหมุนบนอยู่ในสังสารวัตรนี่จะมากกว่าระดับปรมัตดเพราะอะไรเพราะระดับปรมัตดมันมันเป็นยอดของเจดีเป็นยอดแหลมของเจดียนั่นจะมีคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองที่สัมผัสได้ตอนการสั่งสอนจึงสั่งสอนในรูปของบันไดที่ตายขึ้นไปแล้วก็ต้องใช้เวลาศึกษามากกวสมควระ เชื่นมาสังเกตก็คือการลามาสูตรเนี่ยที่จริงมันมีอาสาลหัสสูตรอยู่ด้วยนะติดกันอยู่ตรงนั้นนะประสูตรติดกันเลยแต่ว่ายังไม่มีใครอ้างสูตรนั้นลักษณะโครงสร้างแบบเดียวกันแล้วข้อความนี่เกือบจะเหมือนกันทุกตัวอักษร น, นะเพียงแต่ว่าผู้ฟังแตกต่างกันประสูตรประสูตรต่อมานั้นเป็นการแสดงการลานของท่นงานพระนางวิสาขา เราก็แสดงไปอีกระดับหนึ่งนะคนคนฟังในพื้นฐานใกล้เคียงกันพราะพุทธเจ้าก็ทรงแสดงระดับเรียกว่าจินตามายพระปัญญาคือเขาต้องสามารถคิดได้อพอพูดออกไปแล้วก็ต้องสามารถคิดได้เพระพื้นฐานคนระดับนั้นเขามีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นอยู่พูดไปเขาก็คิดต่อได้ก็ตั้งคําถามให้คิดก็แล้วกันเพราะตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีการสัม ประสบการณ์ตรงมา เ, เราก็คิดไม่ได้พัคิดไป่ได้มันก็เข้าใจตัวเองที่น่าคิดก็คือว่าในอปนาคสูตรพระเจ้าทรงสแสดงแก่ประชาชนที่หมู่บ้านมหมาสาลาคือคนมาฟฝ้าพระพุทธเจ้าเยอ ะ, สะเสด็จไปพวกะข่าวลื อ, อนี่ข่าวลือเรื่องพระเจ้าเนี่ยก็แพร่หลายไปคนก็ต้องการพบเห็น แต่เมื่อรับสั่งสอบถามว่าท่านเหล่านั้นนับถือใครเป็นาศาสดามีาศาสนาได้หรื อ, อยังท่านเหล่านั้นก็บอกว่ายัางยังไม่ได้นับถือใครเป็นาศาสดาผูเจ้าก็ทรงแสดงว่าไม่เป็นได้หรอกแต่ว่าสำคัญอย่าปฏิบัติได้ผิดก็แล้วกันแล้วข้อที่ทรงเน้นเนี่ยคือเน้นที่ความเห็นซึ่งเป็นนิจ ช, ชาพธิธีที่มันแพร่หลายกันอยู่ในสมัยนั้นสิบรองด้วย คือพวกปฏิเสธว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิติกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทําทั้งดีทั้งชั่วนั้นไม่มีผลแล้วก็สัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีท่านที่รู้แจ้งโลกนี้ด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้แจ้งตามนั้นไม่มีซึ่งก็หมายความว่าพูดง่ายๆก็คือปฏิเสธความมีอยู่ของกฎแห่งกรรม ความมีอยู่ของสังสารวัฏแล้วก็ความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าระเสียหมดหมายความว่าสัทธาสีประการในแวดวงขงจัาพุทธีประการเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่พระเจ้าทรงรับสั่งว่าเป็นความเห็นผิดทั้งหมดใครเห็นว่าไม่มีก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิใครคิดว่าไม่มีก็เป็นมิจฉาสังกปะใครพูดว่าไม่มีก็เป็นมิจฉาวาจา ใครไปบอกกล่าวชี้แนะให้บุคคลอื่นเห็นตามคล้อยตามมัไม่มีก็ชื่อว่ามีวาทเป็นปฏิปักษ์ต่อพระหันทั้งหลายในโลกจะประสบบา ป, ปรกรรมเป็นนั้นมากแล้วในที่สุดก็ทรงยืนยันว่าสิ่งทั้งสิบเนี่ยมีตอนใครเห็นว่ามีความเห็นก็เป็นสมาธิิใครคิดว่ามีก็ความคิดก็เป็นมิจฉาสมาสังกัปปะใครพูดว่ามีคำพูดก็เป็นสมาวิจา ใครไปสั่งสอนชี้แจงให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก็ชื่อว่ามีวาทะคล้อยตามพระหันทั้งหลายในโลกจะประสบบุญเป็นอันมากแม้ข้อความเพียงเท่าเนี้ประสูตรขนาดเนี้เราจะเห็นว่ามันก็ได้ความคิดอะไรอีกเกยอะแยะสำคัญอย่างยิ่งคือคนเราจะต้องรู้กำลังตัวเองไม่ใช่ว่าไปวินิจฉัยตัดสินระดับ ประสพพันยุตยานะ่ะมันเก่งเกินไปแลือที่น่าน้อยใจก็คือว่าบางทีพระที่นั่งอยู่นั่นเองเนี่ยไม่สามารถจะจับประเด็นเหล่านั้นขึ้นมาวิเคราะห์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตอย่างน้อยก็อธิบายหลักการต่างๆให้ญาโยมที่เขาอยู่ตรงนั้นฟังด้วยเพราะพอออกไปเป็นโทรทัศน์เนี่ยมันพวกที่มีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วมันก็ได้เชื่อเพิ่มเติม ในสุดอันตรายมันเกิดขึ้นแก่คนนั้นแหละมันไม่ได้เกิดขึ้นแก่คนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะทำตามที่เขาเชื่อทำตามที่เขาคิดและในสุดก็จะวิปริตออกนอกลูก่นอกทางไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ต้องไปรับผิดชอบเรื่องผลกรรมไม่ต้องรับผิดชอบในสังสารวัฏอะไรความคิดแบบนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่มีอันตรายมากแล้วก็น่าเป็นห่วงต้องฟังทนาย แต่รบพระโพธยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงกงามไผ่บุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟั ง, งหลายโดยทั่วกันสวัสดี